ก็มีกร ส, สินสิบอย่างาสุภาสิบอย่างกายคตาสติอีกหนึ่งอาานาปนาสติอีกหนึ่งยงถ้าใครอยากเล่นฌานนะก็มาเล่นพวกนี้ ไ, ได้ฌานต่ำกว่า น, นี้ไม่ได้ฌานอารมณ์อย่างอื่นไม่ถึงฌานพุโทโธธรทมโมสังโฆอะไรไม่ถึงฌานไม่ยากอะไร